บิณล oh uh ่าราอุสาลตุสสลามุอะลัยาลลฮซาบิวลาบิยดะฮ์ัลมุอะลัยุมราะห์มตุลลฮะนเคยนะครับในสุรยนุสได้ขยายอิัยท่อนหนึ่งของสุรที่เต็มไปด้วยการสนทนาและพูดคุยกับผู้ปฏิเสธศรัทธา รูบที่ตั้งภากีกับลอสุภาณูตานาลมันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของการสนทนาจากรูปแบบที่มีเหตุมีผลมีตักกับมีการเปรียบเทียบในสิ่งที่เขายอมรับ เพื่อให้เข้ามายืนยันในสิ่งที่ไม่ยอมรับแต่จะเป็นการสนทนาแบบนี้เสมอๆไปเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับปัญญาชนหรือคนที่เปิดหัวใจให้ศัธรรมก็หมายถึงว่ายังพอที่จะแสดงแสดงความ สนใจในการปฏิสัทธาในคำสั่งสนแต่่างทีผูป้ปฏิสัทธานี่นอกจากาจ ะ, สะแสดงการปฏิเสธสีิ้นเชิงเนี่ยก็ยังอาจสแสดงความดื้อดึงหรือการต่อต้านอย่างต่อ น, นื่น ความแข็งกระด้านของคนบางคนถึงแม้มีสติมีปัญญาก็ตามก็ <c oughs> จะต้อง <c oughs> เรียนตะกะจากํำนวนที่มีเหตุผลกินกับปัญญาให้เป็นการ ค่มคู่เพื่อกระทบความรู้สึกและหัวใจที่ทำให้เขาแข็งกระด้านซึ่งในกุฎอันนี้ก็จะมีรูปแบบนี้สลับเปลี่ยนเดี๋ยวก็ให้กําลังใจเดี๋ยวก็คุมคู่เดี๋ยวก็เอาสวรรค์มาเล่าเรื่อง ให้ดึงดูดความสนใจหรือบางครั้งก็เอานรกมาขู่คนที่ยังดื้อดึงกับคาสั่งสอนปรากฏว่าสองรูปแบบนี้มันก็สอดคล้องกับสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีสองจิตสองใจในการเสนอ หรืการแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ต่างๆรูปแบบแรกนี่ขาเยกันอัตตรวีบตรวีบนี่ก็คือให้กำลังใจพูดในสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะได้รางวัลที่อัลลอสุบฮาไพร์วะตาฮฺนาเดับนุไว เราเลี่ยนไปอีกรู ا แหนึงองตรหีบเรื่องข่มทงมีสองย่างนี้รมนุษย์ต้องการทั้งสองย่างนี้ด้เหตุผลนี้มีอนมาท่านหนึ่งรว่าหะดีษท่านหนึ่งโดยรวรวมหะดีษบทหะดีษที่เกี่ยวกับ คำสนต่างๆที่จะเชิญชวนให้ผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติหบทสที่จะห้ามปราผู้ศรัทธาได้เียงจากสิ่งที่ไม่ให้ปฏิบัติตังชือหนังสือหนังสือของลมตีชอับดุลอาซย่มอัยมุนซีรีตั้งชื่อหนังสือว่าอัตตรีบัตตรีดังเล อัรว uh, an. ัตรีทุกอย่างที่ศาสนาเชิญชวนโดยํานวนที่นิ่มนวลทแบบนี้และได้ผลบุญแบบนี้ทำแบบนี้ได้เข้าสวรรค์ทาแบบนี้ไปอยู่กับนบีในสวรรค์อะไรแบนี้ตรรพีทำแบบนี้โดนแบบนี้นะทแบบนี้แล้วนรกเจอแบบนี้ตรี ซึ่งรูปแบบการคุมขู่มักจะเป็นสิ่งที่มีวิสัยเพราะท่านนาบียไม่ได้อยู่ในสถานะขณะที่ท่านกำลังเทศนากกำลัง ไปแพร่伊ส兰เนี่ยไม่ดีอยู่ในสถานะที่จะข่มขู่เข้าด้วยกําลังที่ท่านมีอยู่ในโลกนี้น บ, บีนมุฮัมมัดไม่สามารถที่จะไปข่มขู่มุสลิมที่มาก้าวบอกว่าถ้าไม่ศรัทธาดูฉันจะยกทัพมาตีเมืองนะน บ, บนไีไม่ไม่ไม่มีความสามารถในเรื่องนี้นบีรุ่นก่อนนี่ก็ ك و ب ن نبي سليمان فلنأتي لهم بجنود لا ق ب ا لهم بها ولنخرج جنه منها أذلة وهو صغير جخم كور ا ش ن ي بالقيستي ب و ش ا ب و ش ا د م و ت خ ا ل ي แตเขาไม่แสดงความจำนวนเราก็จะยกทัพจำนวนทหารและค่าศึกนี้เขาไม่มีสามารถที่จะตตอบโต้ได้นี่เป็นการคมคู่ด้วยภาระกำลังที่มีในโลกนี้ในในชีวิตนี้ ซึ่งต้องเข้าใจว่ากุรั้นนี้เป็นคำพิสูจน์ท้ายนะคนที่จะอ่านกุรัานนี้เนี่ยก็คือมนุษยชาติตลอดไปแต่อิสลามนี่จะใช้กำลังของโลกดุนญย์นี้ในการที่จะกดดันคนอื่นเนี่ยถ้ามาในยุคที่มุสลิมอ่อนแอ <c oughs> ก็จะไม่สามารถใช้ ข้ออ้างแบบนี้ในการกดดันคนอื่นแต่คนดาทอท่านนาบออีลอเลียนท่านนาบีบางยุคบางสมัยทีอ่อิสลามและมุสลิมแข็งแรงนี่ก็สามารถที่จะขู่คนที่ทําแบบนี้หรือลงโทษเคขายกทัพไปตีเมืองเลยคนที่บังอาจละเลียนท่านนาบีแต่บางยุคนี่ทากันแล้วก็ مسلم ไม่มีปัญญาเยอะเยอย่ายว่ย า, วาวจะตอบโต้เขานะแค่ ข, ขึ้นโคตบะที่ประเทศที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลมักกะมัดมดีน่าเนี่ย ข, ขึ้นคตบแ ะ, ะแล้วก็แสดงความเสียใจที่โลกมุสลิมได้ทิ้งท่า น, นาบเียไม่ปกต้องเกียรติยศของท่านนาบีนี่ถูกจำคุก นี่ปีที่สิบห้านะที่ประเทศโซเดียร์เอย่าว่าจะไปตอบโต้เขาเนาะแต่แค่แค่ที่จะพูดถึงความรู้สึกอะความรู้สึกเอ็น บ, บิน บ, บิถูกถูกลเลเบิดเนบูนประเทศมุซเบายไปไหนนี่ไงแค่เนี้ยถูกคุ้มแล้วอยู่ในคุกติดคุกยัดเยียดขอ้อหา สร้างความบนันปวนสร้างความไม่สงบคนที่ออกคำไม่รักษาเนี่ยจําคุกเป็นสิบสิบปีอย่างเงี้ยคนที่ออกคำไม่รักษานี่ก็เป็นกอดีที่อ้างว่าตัดสินตามสัญญาเพราะฉะนั้นคุณอานนี่ก็จะต้อง พูดคุยกับสติปัญญาในสิ่งที่มันมีความถาวรมันไม่ไดีขึ้นอยู่กับกําลังของมนุษย์ที่ย่อมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคูด้วยอะไรคูด้วยทหารมุสลิมอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ศรัทธ า, ถ, าถ้าไม่เลิกในการละมิดอิสลามและเมิดในเดียวจะยุบทับนะแล้วก็ทำมุสลิมอ่อนแอละ่ะถ้าคุณอ่านมีคําคูแบบนี้หมดท่าเลย ฉะนั้นในคุณอานนี่จะเป็นการเตือนเตือนสติเตือนหัวใจให้กลัวในสิ่งที่มันวิสัยและสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกร้องให้มนุษย์ได้ศรัทธานั่นก็คือเหีบสิ่งรึกลับชินนเนในอายะ45ที่เริ่ม ข้ใหม่ในการสนทนากับอุปนิสตธาเนี่ด้วยรูปแบบที่อาจจะรุนแรงหน่อยที่มันไม่ได้เป็นเหตุผลเชิงตรรกะเชิงปัญญาหน่อยแต่มันจะต้องกระทบความรู้สึกเพราะมันจะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เขาอาจจะไม่ยอมรับแต่มันจะชวนให้เขาคิด แันแระดังเรื่องที่เขาพยายามรับตกครานก็ยังเอามาคมคู่เช่นวันเกียรมาวันเกียรมานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความลําบากความรุนแรงที่จะประสบกับผู้ปฏิเสธศรัทธาที่จริงวันเกียรมาก็ยังจะเป็นเนื้อหาที่มี ผลกับผู้ศรัทธาเช่นเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของหลักศรัทธาที่มุสลิมต้องต้องเชื่ออยู่แล้วแต่เคมีของผู้ศรัทธากับวันเกียรมะกับเคมีของผู้ปฏิศรัทธาคำว่าเคมีเนี่ยหมายถึงปฏิกิริยานะผู้ศรัทธาในเวลานึกถึงวันเกียรมะเขาจะ เขาจะอ่อนโยนเขาจะนอก น, อน้อมเขาจะกวาดกลัวปฏิกิริยาแต่คนที่ปฏิเสธนี่จะมีสองกลุ่มพอฟังเรื่องวนเกียร์มานี้กลุ่มแรกนี่เยลยืลูหูเอาอะไรมาขูา่เยอามานันไะมีชื่ิอยู่แลละ เงินคืนชีพนี่อะไรทั้งหลายนยี่ที่ที่นบมีมาเล่านี่เ ร, เ, รเราไม่เช่ออยู่แล้วจะมาขูททำไมแตกลุมหนึ่งเป็นปู่ปฏิสุธาก็จริงแต่เขาก็ยังมีมันสมองอ่ะยังมีหัวใจอ่ะคนเหล่านี้เนี่ยมีในทุกยุคทุกสมัยทุกศาสนาด้วยเวลาพูดกับคขามร่นแรนล่บเนื่อน ถึงแม้ว่าเขาไม่ยอมรับนะแต่มันเป็นเรื่องที่ชวนคิดล่าสุดนี้เขาบอกว่ามีการให้สัมภาษณ์ของไอนิสไตน์ที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกเผยแพร่ดยสาเหตุอะไรเขาบอกว่ามีบา ง, บางรื่บางอะไรเงี้บอกว่าตัวเขาเองอนิสไตน์เขาเขาไม่อนุญาตให้เผยแพร่ สัมภาษณ์แล้วอยอย่าไปอย่าไปอย่าไปออกอย่าไปตีพิมพ์นลยบางแรงงานบอกว่าลูกศิษย์เขาเนี่พอเขารู้ว่าเขาให้สัมภาษณ์เร่งแบบนี้เนี่ยเขาก็พยายามรับบี้ไม่ให้หนังสือพิมพ์นั้นได้ได้ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์นี้ในบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยไอน์สไตนเนียได้ถูกถามว่าถามถามด้วยหลักฟิสิกส์ ว่าตกลงความตายนี่คือคือจุดจบของของมนุษย์ใช่ไหเขาบอกว่าไม่ใช่นะเป็นไปนไม่ได้เป็นอันนี้เขาพูดพูดโดวยวิทยาศาสตร์นะเขาไม่ได้พูดโดยโดยแต่ไอคนที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยเขาตกใจเพราะปะกติแล้วใ น, นวิทยาศาสตร์นี่เขาจะรู้่ะ โดยฟิสิกส์เนมนุษย์นี่นะถ้าตายแล้วเนี่ยก็จบไงจ บ, จ, บจะจบยังไงจะเผาจะสลายจ ะ, จ, ะจะยังไงก็ จ, จบไไม่มีชีวิตไงแต่อนิสัยเนี่บอกว่าไม่ใช่มันมีหลายมิติที่เราต้องมองเขาบอกว่าส่วนที่มันเป็นไ ป, นปนไม่ได้โดยโด ย, โดยวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์จะจะสิ้นสุดไปเลยเนี่ย เขาบอกว่าปัญญาปัญญาของเขาเนี่เป็นไปไม่ได้นะที่มันจะสูญเสียสูญหายไปแล้วก็อธิบายด้วยด้วยด้วยคำอธิบายที่มันเป็นปรัญชญาสูงมากผมเองอ่านไปงงไปเพราะเราก็เรียนฟิสิกส์นี่ก็เออเกงมาช่วงมสี่นะหลังจากนั้นก็ช่วงมสี่นี่ อาจารย์ฟิสิกส์นี่ยเขาจะให้ผมเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาอธิบายทฤษฎีต่างๆก่อนนี่ก็จะอธิบายแล้วก็จะชื่นชมก็ได้ปีเดียวนะที่เก่งนแต่ก็ชอบอ่านอ่า น, า น, า น, านทฤษฎีอะไรต่างๆของฟิสิกส์เนี่ยโดยเฉพาะที่มันจะเกี่ยวข้องกับศาสนาที่กกาลังบอกว่าคนที่ปฏิเสธนี่นะ มีหลายคนหลายคนหลายกลุ่มที่เขาเขาก็ยังมีสมองอ่ะและนี่เหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยเริ่มชีวิตเริ่มชีวิตนิดการปฏิเสธปฏิเสธเป็นเป็นคนที่ไม่ยอมรับในในพระเจ้าไม่ยอมรับในสิ่งเร้นลบศาสนาเลยไม่เอาเลยแต่พอเรียนไปเรียนมาศึกษาไปยิ่งยิ่งลึกซึ้งในวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อ ด้วยเหตุผลทางวิชาการของเขาเนะว่าเป็นไปไม่ได้ที่คือที่ขั้นตอนต่างๆของระบบระบบโลกเนี่ยมันจะมันจะเป็นความบังเอิญเนี่ยอัลลอฮ์ก็พูดพูดกับพวกมุสริกนที่มักกะนีเขากลัวถึงแม้ว่าเขาเป็นมุสลิมผู้คนที่ตั้งภากีกะฮ์มา น, แนีแต่โดย โดยสัญชาติยานของเขาโดยเชื้อของศาสนานัลลีบรูฮิมที่มันอยู่ในตัวกลุ่มอาหรับอยู่แล้วโดยความใกล้ชิดระหว่างชาวอหรับกับชาวคริสต์และอยู่อยู่กันในข้าบสมุสริมอหรับเขาก็เขาก็อยู่คือคุกคีกับคัมภีรกับชาวคัมภีรด้วยไง แต่เจะมีนื้อหาอะไรที่มันคล้ายคลึงกับคําสั่งสอนที่มีอยู่ในคำภีโตรออินจีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่วช่าจะเป็นเรื่องประหลาดที่สุดไม่มันคุค้เคยบ้างอย่างในเหตุผลเหล่านี้ทั้งหมดในคุตาในพอพู้ถึกลุ่มที่เขาปฏิเสธอยู่แล้วแต่ก็เอาเนื้อหาที่เขาปฏิเสธนี่แหละมากระทบกระทัง่งมามาบุกรุกมารุกรานพื้นที่ในหัวใจและสมองที่ กำลังตั้งด่านตั้งรั้วที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้านะแต่การเอ่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเท่ากับเท่ากับชวนให้เขาไปคิดใหม่ปรากฏว่าวิธีนี้เนี่ยมันก็มัน ก, ก็ได้ผลนะเพราะบางอย่างที่มันเป็นความประหลาดเวลาคนเขาก็เขาได้ยินอะไรนั่นก็ความประหลาดเนี่ย บางทีเนี่ยการปฏิเสธเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิกิริยาที่ออกจากหัวใจมันเป็นปฏิกิริยาที่แสดงออกมาเพื่อเป็นละครอะให้คนบอกว่าอะฉันไม่เอานะแต่ลึกๆของเขาเนี่ยปฏิกิริยาของหัวใจและสมองอะนะคือประหลาดใจกําลังพิศวงอยู่กําลังมี ม, มีมีความความขึ้นอยู่ ยังเช่นนบีมายืนยันยืนยันในคาเดียวหามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หาใช่ช่นนั้นไหมคาเดียวในอิเลฮัยนลอรีที่ยืนเลท่านนีไอเรื่อนี้ยเขารับไม่ได้ทาไมเหตุเวทนิตกาบาติเต็มไปหมดเลยแล้วนีไม่เปลี่ยนในจุดยืนนี้ในคุณยังทำให้เขาเนี่ยถึงแม้เขาไม่ยอมรับเนี่ยแต่ เลิกลิกของข้าวเนียอาจารย์าล่าให้เห็นอิเล่ห์มูไรเดะมุฮัมมัดนี่จะทำให้บันดาปตาเรื่องไรเนี่ยมีแต่องเดียวนะอินน่าดะนะใช่อุมนารื่าดมันประหลาดมากที่ที่มุฮัมมัดนี่มาเผยแผ่แบบนี้แสดงว่ามันไม่เรื่องที่ต้องปฏิเสธเป็นเรื่องที่เฮ้ยไม่กินกับปัญญา่เรื่องปหลาดเรื่องแปลก ปรเด็นที่ต้องคิดเรื่องฟ้นคืนชีพเรื่องงนเกียรมันนี่อีเรมิตน้วคนเนี่ตราเนี่ยวดามันจากนี้กระดึงห่างอูฮามัดนี่บกว่าเราตายเร่ศพของเราเรื่องของเรานี่มันสลายคนเนยเ่อสีายนี่กระดูกนี่มันสลายไปหมดไม่มีเหลืออะไรแล้ว ตายไปแล้วสลายไปแล้วแล้วจะฟื้นคือสิ่งนันรายนต์บมันเป็นการกลับนคือจริมันเป็นการกลับใบที่มันชั่นไกลเสียนี่กระไรไปมากเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเป็นรื่องที่มันจะยังไงอ่ะเป็นไปได้ยงไงอ่ะทั้งหมดในคำตอบของมุชเรษกิจเนี่ยมันแสดงถึงว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยถูกดัก ถูกที่แล้วมาถึงจุดที่ทำให้เขาไม่ต้องคิดชวนคิดสมองกำลังทำงานแล้วและวิธีนี้ในกุณอ่านเนี่ยจะต้องทำให้เราเนี่ยในเข้าใจในศิละปะของการเผยแพร่อของการดาว่าที่จะต้องยืนยันในคำสั่งสอนและไม่ต้องเอาเรื่องอื่นที่มันแปลกปลอมจากคำสั่งสอนเนี่ยมาสมทบโดยอ้างว่า โอ้จะเอาคุรานเอาฮะดีสมาพูดกับชาบ้านตอนนี้เนี่ยมันคนละยุคคนละสมัยแล้วเดี๋ยวนี้มันยุคของแชพ g ทีมันยุคของมันต้องเอาอะไรที่มันมันร่วมสมัยคนเขาจะได้จะเอาคุรานแล้วนะคุรานมันไม่ได้เรื่องกว่านี่มันก็มี เรื่มมีนักปัิยาหรือนักเผยแพร่ islam ที่อาจาจะมีความคิดแบบนี้ถ้าไม่ได้เป็นวาจาต่อาจจะเป็นเป็นพฤติกรรมเป็นนโยบายเป็นนโยบายเคยมีนักเผยแพร่คนหนึ่งเคยดังมากเลยนะบ้านเรานี่ดังมากเลยนะเขาจะใช้หลักวิทยาศาสตร์ แต่ก่นนั้นดวดีเขาดังมากใครจำซือ ย, ยนะเขาผมได้จำซื้อชื่ออันานอะไรนะเป็นักบริษคนตุรกีอาอารู尼ยาตรงรุนงร่นนี้ทังจรรุ่นดีวดีรุ่นรุ่นดีวีดีวงสืด่ทางรุ่นเทพนะ รุ่นเทปทำไหมฝังฝังเทปมาคุยคุยแอรอะไรวนี้ทไมรุ่นเทพเนี่ยไม่ใช่รุ่นอย่างเดียวไอ้รุ่นแผ่นม้วนนี่แผ่นนี้นนี้เราไม่ทนแน่นอนรุ่นแผ่นเนี่ยอันนี้นีรุ่นเก่ามากแต่รุ่นเทพนีนิส่วนมากนมากนะจูนี้แน่นอนทปทให้เราต้องเข้าใจว่า อะไรบางอย่างที่เรามองว่าเป็นคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคำด่านะปกติแล้วนี่คลาสสิกนี่สสำหรับคนที่สำหรับคนที่เขาฟังดนตรีดนตรีคลาสสิกอดูมันดูมันเออสวยงามใช่แต่ไม่ใช่ถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าไอคนนี้มันคลาสสิกไลว ร, รุ่นเก่าคน โบราณคนคลั่สิกว่าคนโบราณคนรุ่นเก่ารุ่นเราบอกว่าเราควรที่จะเผยแพร่อิสลามโดยรักษาความคลั่สิก ค, คือความดั้งเดิมความดเ ด, มมด้งเดิมคนไม่มีสมองเขาเรียกว่าสมองรุ่นใหม่องเนี้ยบางคนเนี่ยนะก็อาจจะมองว่าความดั้งเดิมนรืทุกเรื่องเนี่ยมันใช้ไม่ได้ ในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องปฏิรูปปฏิรูปทุกอย่างแล้วเป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศเรียกร้องให้ปฏิรูปปฏิรูปอิสลามเนี่ยเนื่องจากว่าขาบวนการที่จะต่อต้านปริเดช ก, การของเขาเนี่ยล้วนเป็นคนที่มีความเคร่งคัดในคำสั่งสอนเนี่งดังเดิมแล้นทำยังไงอจะได้ขจัดไอ้กลุ่มที่ ชอบออกมามาต่อต้านผู้นําว่าทุจริตต่อต้านผู้นําว่าไม่อยู่ในหลักการศาสนาทา่านยังไงอ่ะปฏิรูปอิสลามทั้งหมดเลยให้คนเข้าใจใหม่อิสลามเนี่เองจะไม่เก่งแม่ถ้าจะหากว่าคิดเหมือนตะ ก, ก่อนนู้นเนี่ยเอามาขัดต้อน ม, อมันกำลังขุดบ่อยู่แล้วก็มีคนมาชีา้หน้าว่าไม่ได้ทําอย่างงี้ไม่ได้โอ้ยทาแบบนี้ อันนี้มันคลาสสิกมันของวิธีดังด้งเดิมมันใช้แบบนี้ไม่ได้ม า, าทางอะไรทีท่มาดีเขาจะกลังปรยใส่แล้วก็จะมีคนมันลูกคนไม่ทักทันทำไมท่านแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาทีาท่ยิ่มแล้วไอ้คนนั้นไม่ไม่รู้จะหายไปไหนแล้วลูก น, นุ่นยานี้เอ้ยกัจะคิดทําแบบนี้เหมือนสมัยคนอิฟราอะไรนี่ต้องปฏิรูปแล้วต้องเปลี่ยนความเข้าใจแล้วไม่ใช่อันนี้จะเป็นนโยบายในกฎ อ, อ่านเนี่ยไม่ไม่แพ้สถานการณ์ ไม่วันไหวต่อคาตอบโต้โชิคิเนเะขาตอบโต้ไม่เอาปฏิเสธไม่ยอมรับอะไรนี่เอามาปเป็นอะไรเยไอ้ปฏิเสเนี่ยไม่คุยไม่คุยลนะเฮ้ยาุอไรนก่านี่นะแล้วเราไม่คุยนี่จะเป็นแบบนี้พอเห็นก็เไม่ไม่เอเอ้ยปฏิเสธอะไรอ็นีบทอะไรนี่เราต้องตีข้อเนื้วเราต้องแบบคุณคุณไหมแบบนี้ คนณคุณไ่พูดนี่นะเป็นมุสลิมนะนี่มีเขานี่นะพวกสารบันนี่นะเราจะเอาหลักการศาสนาของของเรื่องรักร่วมเพศนี่ยมาพูดกับเขามันไม่ได้นะเราเราต้องเปิดกว้างเราต้องคุยแบบมีเหตุมีผลมีสติปัญญาโอ้เพมีนักบุญชาติก็เขาถูกมาว่าเป็นนักบุชาการแลต่ตามหลักการศาสนาเขาไม่น่าจะเป็นนักบุญชาติ เรืนี้เคยดังนะบ้านเราในประเทศไทยนันกวิชาการมุสลิมบอกราการวิทยุบอกว่าเฮ้ย ใ, ใครบอกว่าเหล้านี่ห้ดื่มหรามทุกกรณีใครบอกเหรอผมนี่เคยไปประทศรัสเซียนี่ดูความหนาวฉับเนี่ยต้องดื่มเหล้าผมผมเองก็ดื่มเหล้าพูดด้วยความภูมิใจแล้วเวลาหลักการหลักการสําคัญของอิสลามนี่มันจะระส่ำระสายแบบเนี้ย แล้วก็ถูกสละกง่ายๆแบบเนี้อะไรจะเหลือละ่ะมันก็เป็นผลของของการที่เราถูกรุกรานเฮ้ยมุสลิมเนี่ยสมองคนนุ่นเกา่าเล่าก็ไม่ได้นน่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้บางคนเนี่ยก็นึกว่าเอออย่างนั้นเราก็ต้องบอกเขาว่าเออเล่านี่มันไม่ใช่ว่าจะบาปเสมอนะบ า, บางทีมันก็กิกนได้ต้องการอะไร ต้องการให้เขามอง อ, อ่อมุสลิมก็เปิดกว้างใจกว้างมุสลิมใจกว้างนันนะ่ะก็เหมือนคนนี่ไปไปไ ป, ปาร์ตี้แล้วก็ บ, บุฟเฟ่นี่เต็ไมไปหมดนี่มีหมดเลยในหมาเนหมูในวัวมีหมดทุกอย่างมีหมดเลยมุสลิมมาเนี่ขาก็รู้นะ่ะบางเนี่ยผมรู้นะว่าว่าบางเนี่ยบางลองดูนะกันมีไข่ต้มยำมั้งอ๋อไม่มีปัญหาครับผมกินได้หมด คือลึกๆนี่เขารู้นอมันบาปแต่เขาบอกว่าแล้วเปน็ไนไงถ้าหากว่าผมกินแล้วนะก็ทำให้ต่างศเ ส, สนิกเนี่เข้าใจว่ามุสลิมนี่ไม่เค็งคัดไม่เค็งคัดพราะนี่ขนาดซุ้มของอาหารนี่นะกินได้หมดเลยพอมาเครื่องดื่มแล้วปังต้องขอโทษด้วยนะมันมีแต่น้ำเปล่านอกจากนั้นก็จะเป็นพวกวายพวกแชมเปญอะไร ต, ต้องขอโทษด้วยนะฮอไม่เป็นไรผ ม, มดีหมดพอดีมีมุสลิมอยู่คนนึงน่ะอบางบางแป๊บหนึ่ ง, ง, ง, ง, บบงเราจะทำเรงจะกินได้เอเออนะเราต้องเข้าสังคมไม่ได้เราต้องเข้าสังคมให้ได้ไดทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่จะถูกเสียสละเพื่อเข้าสังคมเนี่ยก็คือหลักการศาสนาถ้คือหลักการศาสนาผู้หิงที่มายอมุมิจา ไปทำงานแล้วก็ไม่เอาขีอยาก็จะได้เข้าสังคมนักศึกษาเพื่อนคือเพื่อนมันทรงเกาหลีหมดอะทรงเกาหลีหมดแล้วก็เราจะทรงแบบนี้มันเป็นเหมือนทรงทรงทรงยุคสโขไทยอะไรเงี้ยมันเข้ากันไม่ได้อะก็ต้องปรับหน่อยใช่ไหมต้องปรับหน่อย สิ่งที่เกี่ยวกับหลักการศาสนามักจะเป็นสิ่งที่ถูกสละไปช่วงแรกนี่แหละอันแรกเลยเราที่จะเสียสละเนี่ยมีใครบอกว่าเออเสียสละนี่เสียสละฉันสัญชาตินะหม่ส่วนมากนี่เรื่องหลักการนี่ก็จะมาก่อนสละหลักการไปเสียก่อนแต่องที่อย่างที่บอกกับพี่น้องว่า มันจะมีสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ยงโพมีสมองอ่ะล่าสุดเนี่ยที่เขาที่เขาประท้วงกันแถวสีลมอ่ะ <c oughs> มีใครไปไหมไปปะดินะดีนะไปปะไม่ได้ไปอ่ะเขายกป้ายอย่างเงี้ยกะเทยไทยต้องต้องเรียกนางสาวได้แล้ว กะเทยไทยอะนะต้เรียกนางสาวได้แล้วเขาจะเอาให้บัตรประชาชนเนี่ยเวลากะเทยเนี่ยไปทําบัตรประชาชนนี่นะมันไม่มีหรอกมันก็มีนายกับนางสาวนายกับนางสาวหรือนางนี่มีแค่นี้แต่ก็ให้เลือกเนีไยจะเลือกจะเลือกนายเด็กชายเด็กหญิงอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ต่อไปเนี่ยเด็กที่มีแหววจะเป็นกระเทอเนี่ยก็จะขอเรียกเด็กชายเนี่ยขอเรียกเป็นเด็กหญิงเขาเรียกร้องให้ทางการเนี่ยได้เปลี่ยนระเบียบคือเปลี่ยนระเบียบตรงนี้เนี่ยวุ่นเลยนะทั้งระบบเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะเกณฑ์ทหารเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยผมไปสารแห่งหนึ่งมีห้องน้ำสุขาชาย สุขาหญิสุขาอะไรนะเอ่อเท่าเทียมสุขาเท่าเทียมแต่พี่ดูดิคนที่เขาคอมเมนตนะ์อ่ะคนที่คอมเมนต์ในส่วนมากเลยนะไม่เห็นด้วยมันเยอะเกินไปมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้สังคมยอมรับไม่ได้คือพวกนี้เนี่ยเขามีคือเขามีศาสนานะ่แต่เขาพูดด้วยความรู้สึกอ่ะสังชารตยานนะ่ะ เขบาบบไม่ได้อะไรเยอะเกินแล้วนะได้ได้บจะเอาซองอะไรอะไรแบบนี้ส่วนมากนะคอมเมนต์นี้ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่เบื่อเรื่องรถติดดา่ดากันเลยด่ากันเลยลกําลังจะบอกกับพี่น้องว่ายิ่งผู้ศรัทธานี่นะก็จะต้องมีจุดยืนมีมีมความแข็งแกร่ง ในจได้มาจากไหนได้มาจากกุร์านนี่ไงคือทานองสูรุยยูนุสนี่คือเขาปฏิเสธกุรอรานรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในกุรา์านเนื้อหาที่อยู่ในกุรอรานนี้ก็มีเรื่องหลักๆในเรื่องเกบสิ่งเร้นลับหนึ่งในนั้นน่ยก็คือวันเกียมะแต่นี่มาถึงขึ้นซูราะนะ่าแล้วในซูขึ้นสูรุยยูนุสน ยังไม่ไปไหนน่ายังยืนยันในคสั่งสอนที่จะที่จะโต้กับเขาโอ้อม่พูดถึงเขาที่จะ ا ل ้กับเขาโอ้เอ้าไม่พูดถ ب งเ้กอมที่จะต้าองที้กับเี่ตกบเขาาม่พูดาทะโตของท่จะโบเเอี่จตั้เอ้่เขา่จต้กับาถึง ปีที่สิบที่ยังอยู่ที่มะ ก, กานี่แหละสิบปีเนี่ยนบีดาว่าชาวมะการสิบปีนะนะาาากก ส, นนะสำรวนกนะุอานเนื้อหาของกุฎานนี้ก็สม่ําเสมออุลมามะจึงบอกว่ากุอานในยุคของมะ ก, การนี่นะเ น, น้นะเน้นในเรื่องอนะไรเรื่องเรื่องศรัทธาในอัลลอฮ์และวรรประลกเน้นไม่มีเบานะไม่มีบางช่วงมีไอ้เบาเบาตรงนี้อันนี้อันอนี้เว้นเ ว, นวนไปนะไม่มีสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหลักมีความสม่มําเสมอ วันที่พระองค์แต่ยังให้รำลึกให้เชิญชวนให้เขาให้เขาได้คิดวันท er ี่พระองค์ทรงชุมนุมพวกเขาอย่าสูรุ่ย้าไม่อย่าสูรุวันที่จะชุมนุมอย่าสูรุมก็คือวันแห่งการชุมนุมฉายากองวันเกมียนฉายานึงย้มุลฮัจรีเย้มุลฮัจรี ชุมนุมซึ่งเป็นรูปแบบที่น่ากลัวที่สุดและเป็นเรื่องที่มีข้อสังเกตนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยถูกชุมนุมมันะมันจะไม่กระทบความรู้สึกของคนทั่วไปเช่นคนแยกจนเฮ้ยดูพวกเองจะถูกชุมนุมมัน ทำไมเราพอในชีวิตเนี่ยเขาก็ถูกชุมนุมตลอดคนลำบากคนยากจนนิบเขาก็ต้องเข้าแถวเขาก็ต้องเดินขบวนเรียกร้องเขาต้องถูกเกณฑ์ทหารถูกเกณฑ์รับใช้สังคมถูกบังคับท ำ, ทำนู่นทำนี่ แต่ชุมนุมเนี่ยการถูกชุมนุมเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะกระทบคนคนสุขสบายอ่ะคนที่มีฐานะเฮ้ยฉันไม่เจอชุมนุมไบ้านะไอฉันไปที่ไหนเนี่ยต้องมีผ้าปูต้องมีคนต้อนรับต้องมีคือต้องมีคนนรับรอบรอบรอคนหลีกทางให้ด้วยฉันจะถูกชุมนุมนะมันไปได้ไง ซึ่งส่วนมากที่ปฏิเสธท่านนาบีที่มากกนเนี่ยนส่วนมากนี่ก็คือคนที่มีฐานะนี่แหละคนที่มีอำนาจมีฐานะร่ำรวยแล้วคนที่ตามนาบีลหละส่วนมากนี่คือคนจนคนที่เป็นทาสคนที่ไม่มีฐานะไม่มีไม่มีสายตระกูลใช่ไหมการข่มขู่ด้วยวันกี่อาวุธนี่ เลือกฉายาวันเกียร์มาที่จะที่จะกระทบกระทบสาเหตุอันเป็นกำแพงระหว่างเขากับคำที่ศสนาของท่านนลพี่ยกสถานะตัวเองเหนือนกว่าคนอื่นเอ้ใครใครจะมาเตือนฉันได้อะใครเขาก็มีผลนะแต่วันเกียมานี่นะถูกชุมนุมกัะหนดอย่าชุนห ah ุมพระองค์ทรงชุมนุมพวกเขา แค่ล้มยล Bethu ไม่ได้สัปดาห์หนึ่งในที่นี้ในคุรานพูดไปในหลายสุรานะประเด็นหนึ่งว่าพวกเขาได้พำนักอยู่นานในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เดียวคู่เดียวที่อยู่ในโลกดุนยานี้บางทศนะบอกว่าที่เขาอยู่ในกูโบในหลุมสศพในบาร์ซักเนี่ย นานๆนะนะเขาจะรู้เลยว่าเพียงได้เห็นสถานการณ์วันเกียมช่วงแรกก็คือช่วงที่ชุมนุงมนี่นะช่วงแรกนี่จะเห็นว่าไอ้ที่ที่เขาอยู่ในกุบโบกตาหรืออยู่ในโลกดุนยาตอนมีชีวิตเนี่ยก็ตามเทียบแล้วเนี่ยเท่ากับสซาอาตันมินนารูสักววบหนึ่งสักช่วคราว บางอายนี่บอกว่าเขาจะเขาจะเถียงกันบอกว่าเอที่เราอยู่กันเรื่องนี้เหมือนเสมือนอยู่แค่วันเดียวบางสูรบางอายนี่บอกว่าอิลชี้ยตันเอาดูฮ่าอยู่ช่วงช่วงต้นต้นของกลางวันช่วงดุวหาดุวานี่ก็ประมาณสามชั่วโมงคนมีชีวิตห0ส0บสิปีเนี่ยจะรู้สึกว่าไอหกสปีเนี่ยเหมือนสมชั่วโมง แต่เรื่องนี้เนี่ยมันแค่เป็นอุปมาว่าจะเกิดขึ้นให้จินตนาการให้มนนภาพของของมนุษย์เนี่ยต้องเข้าถึงได้ถึงจะรู้สึกถึงความแตกต่างก็ไม่บอกว่ากะอ่นกะอันที่จริงเดิมเนี่ยคือกะอนนุม นีวิธีในกุรอ่านลนภาษารับนี่ยเขาตักฟีฟต่กขาให้ว่าให้คำนี้มันเบาแทนที่จะพูดว่ากัรณ์นะฮุมเปรียบเสมือนเขาอยู่แบบการณ์อย่างเดียวการณ์ไม่เแลี่ยนแปลงเลยนี่ยเพราะเพราะมี อ้าหละฮะดีซี่บอกว่าการชุมนุมในวันเกียรมะเพื่อรอคอยทำตัดสินที่อัลลอฮ์จะเริ่มเริ่มเริ่มพิพากษาเริ่มสืบสวนะด้วยการช้ฟาอัของท่านน บ, บีคือมนุษยชาติจะรอคอยนี่ในวันในใน เพนที <t t ่วันเก่ามาเนี่แค่รอที่นบีจะมาขอช فاء ช ف ا าอะไรเนี่ยช فاء อุษมาช فاء ที่เนี่ยที่นบีจะมาขอความช่วยเลยออัลลอฮ์พอเธอให้เริ่มตัดสินได้แล้วเนี่ยเนี่ยกว่าจะรอช فاء ของท่านนบีนี่นะยืนกันห้าหมื่นปีแนนอนเทียบแล้วห้าหมนปีกับชีวิตคนสักชีวิตหนึ่งเจ็ดสิบปีนั่นเองท่ประเดี๋ยวก็ด้า แค่เียมันจะรู้สึกลยลงไงเดินมาจากบ้านถึงปากซอยนี่ประมาณห้านาทีแล้วบอกกับเพื่อนเฮ้ยเดินห้านาทีแดดร้อนแย่ yeah, แล้วนะว่า <laughs> อันนี้ยังอันนี้ยังไงอะไรเนะี่ยนิ่เดี๋ยวจะเดินตามกำแพงจนยไปถึงนู่นนะ่ะอีกห้ากิโลเนี่ยเดิน จากบ้านถึงปากซอยนี่ประมาณร้อยเมตรนะและก่บไอ้ห้ากิโลนี่มันจะเป็นยังไงอะ่ะชีวิตของเราเนี่ยเจออะไรแบบนี้เยอะน่ะที่จะให้เปรียบเทียบเวลาลำบากอะไรนิดหนึง่งแต่ไปเจอความลำบากที่มันใหญ่หลวงกว่านั้นนะ่ะไอ้ความลำบากเล็น้อยเราจะบอกอันนั้นจิ๊บๆิอันนั้นธรรมดาทุกคนนี่ก็จะมีโอกาสก่อนที่จะเริ่ม อะไรเลยในวันเกลมาเนี่ยจะได้เห็นจะมีมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าชีวิตที่เราเคยอยู่ในโลกนั้นมันไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นเร่องมุคัรีท่านนาบีสุลลัลละวะเลยอุสัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์จะนำมาซึ่งชาวนารกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าสำราญเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนี้ก็คืออาจจะเป็นคนเศรษฐีที่สุดเป็น ผู้มีอำนาจสูงสุดในโลกนี้ในะประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะไม่มีใครมีความสุขเท่ากับเขาแต่เขาเป็นชาวนะรกจะจิจ้มเข้าไปในะรกเนะี่ยจิ้มเข้าไปวาเว้นยี่ห้วนนาทีหนึ่งจิ้มไปแล้วก็ลากมาถามว่าความสุขที่เจ้าเห็นในที่เสวยในโลกนุนยานี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาจะบอกว่ามารไอตุนัยมันกั ฉันไม่เคยเห็นมีความสุขอะไรเลยตอนเราชีวิตเนี่ยเป็นคนไม่มีความสุขมากที่สุดนะพอถูกจิ้มในนรกเนี่ยวิ้นนาทีเดียวนี้นะไอ้ความสุขที่เขาเจอมาทั้งหมดนี่นะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยุความหมายตองต้นข้ามคนดีแย่ลำบากที่สุดทุกทรมานที่สุดในโลกนี้แต่เป็นชาวสวรรค์เราก็จะไปจิ้มในสวรรค์เ น, น, นี่ยจิ้มสักที่หนึ่งแล้วก็เอาออกมาถามเป็นยังไง ความลําบากในโลกนี้เนี่ยเป็นอย่งไอวข้าพเจ้าไม่เคยเห็นความลําบากเลยพอเห็นความสุขในสวรรค์นี่เพียงนี้ในาทีเดียวอะนะความลําบากนี่มันจะลืมไปหมดแล้วนี่ที่ผมเรียกว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เทียบชีวิตแต่ก็มีหลายตัวบทนี่จะให้ให้มนุษย์เนี่ยได้เทียบชีวิตนี้กับชีวิตของโลกวันเกียร์มากใช่ไหม ซึ <ara> uh, Office, ่งความประหนึ่งหรือประมาณนี้นี่นะเอามาเล่าถึงคนที่เขาปรากฏตัวแล้วในวันเกียร์มาเนี่ยเขาเปรียบเทียบหมายถึงว่าการเปรียบเทียบนี้นะสําหรับคนนี่ปรากฏตัวที่นู่นแล้วนี่ยเป็นคนชาววันเกียร์มาแล้วหมายถึชาวโลกนี้แล้วนะแต่การเปรียบเทียบนี้เนี่ยมันจะมีผลสําหรับชาวโลกนี้ที่เขายังไม่ยังไม่ได้ไปไปไปถึงวันเกียร์มาเลาบอกว่าเนี่ยคนพวกนี้เนี่ย ประหนึ่งประหนึ่งพวกเขาไม่ได้พำนักอยู่นานในโลกนี้เสดงว่าคนที่กาลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วรู้สึกว่าเออเขาใช้ชีวิตนานๆนะนะก็ย่าหลงนะเพราะถ้ า, ถ, าถ้าเจ้าเนี่ยไปถึงโลกหน้าแล้วกับปรากฏตัวในสภาพนี้เนี่ยเจ้าจะมีความรู้สึกแบบนี้และเป็นมิติที่น่าสนใจนะครับเวลาศา ส, สนาพูดถึงเรื่องเวลา ประเด็นว่าพวกเขานี้ได้พัฒนาอยู่นานในโลกนี้เว้นแต่เพียงชั่วครู่เดียวแป๊บเดียวซะซะวสานี้คือถ้าถ้าในพุชนานุกร ม, มดั้งเดิมที่เขาอธิบายคำพูดคำศัพท์ในภาษาอาหรับเนี่ยซะเช่วงเวลาช่วงหนึ่งอาหรับนี่เป็นชาติแรกที่ได้ประดิษฐนาฬิกานาฬิกา เป็นประดิษฐ์ของมุสลิมเนี่ยแล้วเขาแบ่งเวลาของนร า, าริกาเนี่ยตามกำหนดการของกลางวันและกลางคืนแล้วก็แบ่งให้กลางวันและกลางคืนเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่หมนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็เลยตั้งชายยาวอ่ะหกสิบนาทีนี่นะสาคนรุ่นหลังนะคนที่เรียนภาษาอับ รุ่นหลังเนี่ยโดยผ่านพุชานุกรมใหม่ๆเนี่ยมันก็แซ่นี้ก็ไม่ว่าห0สิบนาทีซึ่งเป็นเป็นความหมายที่ถูกทีความรืถูกตั้งไว้เนี่ยในรุ่นหลังไม่ใช่ในช่วงแรกของดั้งเดิมภาษาอับฉะนั้นจะมาอ่านคุรอ่านเนี่ยออเราจะอยู่วันเกีย ม, มานี่เปรียบซเหมือนอยู่ประมาณหกสินาทีเหรอ <c oughs> ใช่ไม่ควรที่จะอธิบายคุรอ่านด้วยความหมาย ไม่ใหม่ความหมายร่วมสมัยเนี่ไม่ใช่เราต้องไปดูเนี่ยดั้งเดิมเนี่คคำว่าแซะในภาษาอังกฤษแซเนี่แปลว่าช่วงข่าวช่วงเวลาช่วงหนึ่งถึงกระนั้นก็ตามทําไมพูดถึงช่วงเวลาช่วงหนึ่งมินเนห์รินช่วงกลงวันมันเป็นข้อสังเกตทําไมไม่ใช่กลางคื น, คนมินนห์รินวเว้นแต่ ช่วงเดียวในเวลากลางวันทําไมต้องเนากลางวันอ่ะทำไไม่ใช่กลางคืนอ่ะอืเพราตะก่อนนู้นอ่ะนะตะก่อนนู้นมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์สมบูรณ์ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่ใช่มนุษย์ข้างข่าวคือมนุษย์ปัจจุบันนีนไก่พัน่ะไกลพันเป็นมนุษย์ข้างข่าวมนุษย์มนุษย์ที่มนุษย์สมบูรณ์เน่ะกลางวันเนี่ย จะตื่นทำงาน active ใช่ไหมและกลางคืนทำอะไรนอนและข้างทาว่ะนอนกลางวันและทำงานกลางคืนเพราะฉะนั้นสำหรับมนุษย์ปกติที่เขาใช้เวลาแบบปกตินี่ก็คือลุกขึ้นทางานกลางวันกลางคืนนี่ไว้พักผ่อนคนที่พักผ่อนมีคนที่นอนกลางคืนน่ะ ชั่วโมงสงชั่วโมงอย่ารู้สึกไหมไม่รู้สึกแล้วก็ช่วงช่วงคาวกลางคืนคืนดิ่งกูไม่รู้สึ ก, กสเลยกูนอนนอนแปียก็ตื่นแล้วกลางวันละสดชื่นลวแต่ไม่รู้สึกไงรู้ไม่รู้สึกว่านอนไปแปะชั่วโมงอะนะกลางวันนี่ไม่รู้สึกเลยคือเทียบในระหว่างการรู้สึกเวลาตอนตื่นกับการรู้สึกเวลาตอนนอนอะเนี่ยนุ่นไม่เหมือนกัน ช่วงกลางวันเนี่เป็นเป็นช่วงเวลาทองสําหรับมนุษย์ทําไมอ่ะดิ้นรนทำหากินต้องสร้างผลงานช่วงกลางวันอะไรก็ว่าแต่ช่วงกลางวันช่วงหนึ่งของกลางวันที่พวกเจ้านี่เห็นว่ามันมีคุณค่าขนาดไหนนี่นะชีวิตทั้งหมดนี่น่เท่ากับช่วงหนึ่งช่วงช่วงชงกลางวันช่วช่วงหนึ่งที่มันมีคุณค่าสําหรับพวกท่านก็เพราะเวลาเนี่ยสําหรับมนุษย์เนี่ย คือต้นทุนของทุกสิ่งทุกอย่างต้นทุนของมนุษย์เนี่ยคือเวลาต้นทุนของคนรวยนี่คือเวลาคนเศรษฐีเนี่ยต้นของเขานี่คือเวลาประเทศร่ํารวยนี่ต้นทุนของเขานี่คือเวลาประเทศน้ํามันอย่างเนี้ยประเทศน้ํามันเนี่จะผลิตน้ํามันเนี่ยตามกําลังเขาตามกําลังความสามารถ เมสูบเนี่ยผลิตน้ํามันสูบน้ํามันเนี่ย24ชั่วโมงต่อวันเขาจะจึงบอกว่าประเทศน้ำมันประเทศนี้เนี่ยผลิตกี่ล้านบอเรลต่อวันแต่ถ้าหากว่าวันนี่นี่ยมีอยู่80ชั่วโมงสมมตินะครับเขาะจะผลิตมากกว่านี้ป่อะอแสดงว่ามันขึ้นอยู่ที่เวลานะไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวน้ํามันอย่างเดียวนะต้องขึ้นอยู่ที่เวลานล่นนะ สมมติว่าประเทศไม่มีน้ามันละแต่มีเวลาใช่ไมไม่มีน้ามันนแต่มีเวลาสามารถสร้างผลงานได้โดยที่ไม่ต้องมีน้ามันนะแต่มีเวลาสามารถสร้างผลงานได้ในเวลานั้นน่ะ BYD อะไรนะผลิตพัณฑ์ที่กำลังบุกรุกประเทศอเมริกาประเทศยุโรปนี่ทาให้เขา กำลังทึงกับประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนนี้มีต้องทนอะไรเลยเขามีคนแล้วเวลาอย่างเดียวเลยเกาหลีเหมือนกันอิตาลีอิตาลีมีอะไรอิตาลีนี่ปุนนป่นนี่ไปดูอพาร์ตเมนต์หนึ่งประเทศเขาเล็กกว่าอพาร์ตเมนต์บ้านลราไต้หวันนึงเนี้ยฮ่องกงก็ไปดูคอนโดของเขาหนิเลยมันเหมือน กระป๋องไม่ขีดอะคือคือคือเรามักจะพูดว่าเออถ้ามันเพียดกันอยู่มันกระป๋องตัวหน้าไม่ไม่ขีดนีมันยิ่งไวกปองเล็ก็กทำไมเขาไม่มีอะไรอ่พื้นที่ประททศเขานี่ก็แคบมากมันเล็กนิดเดียวต้นทุนของมนุษย์ทุกคนนี่คือเวลาผลงานเนี่ยมันแสดงออกมาในเรื่องเวลา คนรวยที่สุดในประเทศน้ามันนะ่ะนะเอารวยที่สุดในประเจศน้ามันที่รวยจากน้ามันนะ่ะนะถ้าถามเขาว่าวินาทีในชีวิตหนึเท่าไหร่วินาทีนีไม่มีค่าเลยเขาไม่ได้รวยเพราะเวลาของเขาที่เขาสร้างผลงานนะเขารวยเพราะน้ามันไงแต่ไปถามคนอื่นที่เขาไม่มีน้ามันนนแะแต่มีสมองมีวิชาการมีความรู้มีประสบการณ์ บรรยายทีหนึ่งเขาไม่เขาไม่เขาไม่เหมือนบรรยายนักบรรยายมุสลิมอะนะเวลาเจ้าภาพเนี่ยนักุิชาการคนนี้เนี่ยน่าจะให้เท่าไหร่เนะสักพันสักพันหรือครับหาร้อยจะพร้อมนักวชาการท่านหนึ่งบอกว่าถูกเชิญไปบรรยายนู่นต่างจังหวัดเขาก็ไม่มีรถเขาก็ต้องนั่งแท็กซี่ ไปกลับเนี่ยแท็กซี่นี่ก็น e. ่าจะห้าร้อยแล้วะนานแล้วกับสิบห้ากว่าปีแล้วนั่งแท็กซี่ไปกลับเนี่ยก็น่าจะห้าร้อยแล้วเขาไปแล้วก็ให้ให้ซอมามีอยู่สามร้อยบาทนักบัญชการดังๆนะที่ประเทศยุโรปประเทศมาเลก้า่เงี้ยเขาคิดเป็นวินาทีนะมันจะเป็นชั่วโมงนะวินาทีเขาเนี่ยเท่ากับนี่พันดอลลาร์สองพันนะวินาทีอันนี้เนี่ยเวลาเนี่ยคุณค่าของเข้ออยู่ที่เวลา แล้วคนแบบนี้เนี่ยเธอฟังไอ้แบบนี้เนี่ยเขาจะรู้เลยเขาจะรู้เลยชีวิตของเราทั้งหมดเลยเนี่ยที่เรากระลังดิ้นรนเนี่ยจะได้บา้านไปเนี่ยจะได้จะได้มีสวัส ด, ดิการฉันจะได้สบายสบ า, ายมีเงินใช้สบายสบายมีคนรับใช้มีบ้านมีช่องมีอะไรที่ดิ้นรนตลอดชีวิตเนี่าหกส ป, ปีเนี่ยพอถึงอายุเกษียณแล้วอายุเกษียณก็ต้องก็ต้องพักแล้วสิแต่พักไม่ต้องเมียต่อ ต้องมีเออเร่หรือมีบำเหน็จบำนาญพอที่จะซื้อบ้านซื้อช่องฝากเงินทนนะครับต้งสบายอ่ะต้องสบา ย, ตบายแต่เพรากฏว่าไอ้ที่ท่านทำงานทั้งชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตเลยนะมันมันแทบไม่มีความหมายทั้งชีวิตม่นสรุปได้ในเวลาเพียงชั่วขา่าวไปเดี๋ยวไปดาวช่วงหนึ่งของกัางวันช่วงเดียว พี่น้องลองคิดดูสิถ้าคนทำงานาสมมุตนะิรับราชการทำงานสี่สิบปีแล้วพอไปไปเรียกค่าํำเน็จบำนาญ น, นี่เจ้านายบอกว่า a t n ทำงานทั้งหมดนี่นะสามสี่สิบปีนี่นะเท่ากับวันเดียวไม่มีค่าเลยเท่ากับคุณทำงานให้หน่วยงานนี่เพียงวันเดียวเขาจะรู้สึกยังไง รู้สึกว่าิตของเขานีมันมันศูนย์เปล่าเลยไม่มีอะไรนี่ความหมายเลยนี่อัลลอฮ์กำลังขย่าความรู้สึกที่เขากําลังหลงกับโลกของเขาเนี่ยก็รู้สึกโอ้สบยสบายท่านอดีมุฮัมมัดนี่มาเทศนามาพูดอะไรผก็สั่งฟังไปก่อนฟังไปก่อนที่ยากนี่อัลลอฮ์กำลังบอกว่าเวลาเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตามอัธยาศัยนะ ชีวิตทั้งชีวิตในหกสิบเจิดสิบปีเนี่ยมันมีค่าเรากับหนึ่งวันนะถ้าเป็นแบบนี้เราต้องขยันขนาดไหนอะพอไปอ่านในเชื่อประวัติของซาเลมโยเราจะเห็นว่าเขาให้ความสัมพันธ์สำคัญกับกับเวลาอย่างสูงสังเกตมาว่าเรา ชอบละหมานกันท <necessary. S 2> okay. ี่มัสยิดนี่ละหมาวพอละมาดที่มัสยิดละหมาดคือเข้าไปละหมาดซุนนะละหมาดฟัรดูอ่านัลกัลหลังละหมาดเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยกี่นาทีแบบเก่งๆนะแบบเก่งๆแล้วกี่นาทีถึงชั่วโมงแต่พอไปยืนหน้ามัสยิดเนี่ยยืนกันเท่าไหร่ยืนกันเป็นชั่วโมงหรืคุยกันเป็นชั่วโมงเลยนะ เนี่ยฟังตับเสียดนีนะ่ประมาณชั่วโมงกว่านะแต่พอไปนั่งคุยกันนั่งคุยกันโอ้โหอิ่อร่อยกว่าตับเียอีกคุยสนุกกว่าตับเียอีกอันนี้ผมก็เป็นละมาดไปละมาดฝรดู่ไปละมาดฝรดูที่มสัสยิดนี่กับชั่วโมงนึงแหละทั้งสุนนะทั้งอ่านกุตนะั้นทะั้งอ่านในมัสยิดน่ยออกมาเนี่ยยืนหน้ามสัสยิดเนี่ยคุยกับเพื่อนๆ น, นะนะย็นเที่ยงคืนเลย สามสี่ชั่วโมงน่งเป็นไหมมีไหมเคยเป็นกันไหมมันสนุกอะ่ะเวลามันมันคือคุยคุยกับเพื่อ น, น, นมีคนคุยด้วยไงแต่เราอ่านกูอ่านคนเดียวอย่างเงี้ยซิคูรุลอร์คนเดียวเนี่ยมันมันไม่ค่อยสนุกอ่ะไปเรื่องปเล่นธรรมดานะแต่เราต้องปรับตัวไงด้วยการรู้คุณค่าของเวลาชาวเลอรคนหนึ่งมีคนพวกเนี้ย พอเขาเรานมาเสร็จแล้วเนี่ยเ้าก็มีธุระอื่นแลวก็จะไปอ่านจะไปเรียนจะไปเออเขาคุยเลยคุยเนะลวมาดูรีเสร็จนั้นนะเขาคุยเนละคุยคุยเลยเขารู้ว่าคนนี้ในช่บคุยเรื่องสารเรื่องไรสาระเขาบอกว่านี่นี่ดูนี่เนี่ยอะไรเนี่ยเขาก็าดวงอาทิตย์เราก็าสั่งให้มันอยู่กับที่ได้ไหมแล้วก็ผมจะคุยหมายถึงอะไรว่าให้เวลานี่มันยุด ฉันจะได้ไม่เสียเวลาค really, okay. ุณโอ้หอ <laughs> We well. ้อมมันออมมันเงี่ยแทนที่จะบอกเขาว่าถ้าจะคุยกับคุณเน่ยผมเสียเวลาไงเขาว่าเวลามันจะผ่านไม่มาเสียเวลาพูดแบบนี้เนี่ยมันก็มันก็คงมีเงินแหละมีเงินน่ะดวงอาทิตย์นี่นะให้มันอยู่กับที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะคุยกับคุณได้หรือแค่ตะลึงหรือกับเขาก็หนีไปละไม่คุยละ ชาวโลัดคนหนึ่งเพื่อนๆ เ, เนี่ยเขาบอกว่าคนนี้นี่นะถ้าประกาศว่าพรุ่งนี้วันเกีย ม, มาเนี่ยนะตารางประจําวันของเขาเนี่ยเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วทํำไมอะเต็มไเพลิงอะไอ้บาร์บ้าเต็มแล้วเพต่อไปพรุ่งนี้ปกตินี่ถ้าเราลกเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตายแล้วนะทําอะไรอะ่ะโอ้โทหทิ้งหมดเลยมีธุรกิจมีงานมีการเนี่ยทิ้งหมดเลยทําอะไรเตรียมตัวจะไปพบตัวฮันแล้วฉันต้องเตรียมตัว อะไรที่ไม่เคยทํานี่ก็เมาทําอะไรที ni, ene, ่ไปบารได้มาทําให้หมดทําให้เต็มที่แต่เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยถ้าจะบอกกับผู้นู้นเกียร์มานี่ยนะไม่มีแล้วมันเต็มหมดแล้วแต่ร่างมันเต้ไม่หมดแล้วเวลาของเขาเนี่ไม่มีอะไรที่จะไปสูญเสียเสียหายกับอะไรที่มันได้สาระและนี่คือสิ่งที่ผู้ศรัทธาได้จากอัลกุรอานหนคือเรื่องการพูดถึงเรื่องเวลาอัลกุรอานนี่มีพูดเยอะเรื่องเวลาสาบานด้วยเวลาว่าลอาส วลาและเวลาอนอื่นั้งตอนเช้าตลางวันตอางคืนตอนกลนตอนกลานตอนืนอนกลางคนตอนลางคนตางคืนตอนลางคนคุนตอนางคืนตอางคืกลานตอางคืนตอนกลาอนลางคืนตอนางนอนาคนตอนกลางคืางคืนตนกคอคืางอางควลางคือลนลคนาตอานอนนอาือลงอลคนลงานานนลากอคงาคาอนคาตอนือง ช่วงเวลาช่วงแรกในวันเกียร์มาเนี่นะช่วงแรกที่เขากำลังตนึกกับความลําบากของวันเกียร์มาแล้วก็เทียบแล้วนี่เทียบแล้วนี่เท่ากับช่วงช่วงเวลาของชีวิตของเขาในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนช่วงเวลาเนี่ยช่วงช่วงช่วงข่าวของกันวันเนี่ยที่เขาที่เขาที่เขากำลังประสบอยู่เนี่ย โลกดุนยาในชีวิตดนยาทุกวันเท่ากับช่วงแต่ช่วงเนี้ยช่วงปรนเดี๋ยวปะดาของวันเกี่ยมาช่วงแรกเนี่ยเขาทําอะไรกันนะยะตาอารฟูยะตาอารฟูนบายนะพวกเขาพักทายซึ่งกันและกันใครอะผู้ที่ถูกชุมนุมชุมนุมวันเกี่ยมาช่วงแรกเลยนะแรกเลยที่เรา ที่เราจะจะต้องสนใจใครอะ่ะคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเชิงลบหรือเชิงบวกพ่อแม่ญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่ทำให้เราทำความดีและคนที่ทำให้เราทำความชั่วลบกับบวก ญาติพี่น้องเราก็เหมือนกันบวกคือญาติพ่อแม่พี่น้องที่ทำให้เราเป็นคนดีทำไมอะ่ะเราจะต้องคอนเนคชั่นให้ได้เพราะพวกนี้ที่จะทำให้เรารอดในวันเกีย้ยวมาถึงแม้ว่าในโลกเนี่ยคนอาจจะอาจจะมองว่าไอ้คนที่สั่งลูกให้ละมาดไอ้คนที่สั่งให้พี่น้องเขานี่ ให้คุมียาไอคนที่สั่งเพื่อนเขาเนี่ยให้ทำความดีเนี่ยไอพวกนี้เนี่ยมันน่าเบื่อเหลือเกินมันว่าจะพูดเรื่องอะไรนีในโลกดุนยานี้คนที่จะเชิญชวนคนอื่นทำความดีมักจะถูกมองในแง่ลบคนไม่ค่อยอยากคบชวนไปฟังคอนเสิร์ตกับคนที่ชวนไปละหมาดอย่างเงี้ยใครที่มีบา ร, รมีมากกว่า แต่วันเกีมนเนยมาในตองกันข้ามเลยไอคนที่ชวนทาคามดีเนี่ยเรารู้ว่าไอคนนี้นี่นะนี่ชาวสวรรค์ น, นี่เขาชฝาให้เราได้น่ช่วยเราได้แน่ไปขอน้าบัตรคนคนพวกนี้ต้องมีคนเล็กเช่นให้ได้พวกนี้ชฝาไงวันเกีมาเนี่จะรอดจะบ่พวกนี้แต่ได้หาว่าพวกนี้ช่วยอะไรไม่ได้นี่แหละโยามายฟรุลมารอมินอาคีพีน่นองเทธ้ น, นี่นี่นี้ ถีน้องนี่ในโลกนี้เนี่ยไม่มีผลอะไรที่จะทาให้เขานี่ดีขึ้นในด้านศาสนานะวันเกียรมานี่ยหนีนี่มปนอาคีว่าอุมี่อบีพ่อทอมแทเอลนีวห์วบนี่สอให้ปฏิหีบะรนนีลูกลูกนีหมดเลยตัวใครตัวมันถ้าเขาช่วยอะไรไม่ได้ในวันเกียร คนนี้จะช่วยนั่นี่นะคนนี้จะชฟ่วงานช่วยนี่เบ้อชั่วงานเละตอนนี้ขโมยชั่วงานนี่นบีชั่วงานเบ้อช่วยและมีคนเดียวที่จะมีชฟ่วแล้วไหมบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเขก็มีชั่วบรรดามาลายกะก็จะมีชั่วบรรดาผู้รู้ก็จะมีชั่วบรรดาคนสอนและคนดีทั้งหลายก็จะมีชั่วเพื่อนดีๆก็จะมีชั่วทุกคนที่เขามีบัญชี คนที่ไมไ่เสียเวลาในโลกนี้นี่นะจงงานจงผลงานไปฝากกับบัญชีวันเกียร์มานี่พวกนี้ในพวกวันเกียพวกนี้ที่มีบัญชีพวกนี้เนี่ยดีช่วยได้ไงซึ่งช่วงแรกในวันเกียร์มานี่นะจะมีการทักทายซึ่งกันและกันจะได้เบิกทางรู้วใครเป็นใครเฮ้ยไอ้บังนี่เนี่ยที่ที่พากูไปกินเล้าวันนั้นึง นี่วะนี่พีไม่คยเนี่ยเนี่ยทักทายอ้อบางนี่ที่ชวนผมไปละมานี่มนก็ไอละมานี่ที่ตาช่างนี่มันก็ลังหนักอยู่นี่ก็พบางนี่ที่เคยชวนไปละมานทักทายกันเรื่องเนี้ยวันละมาที่ไที่ใบอายานี่นบอกว่ายะตาเรฟูนะบอกว่าต่ำีกันหมายถึงว่าคนทีชวนทาความช่วยอะไรเรื่อนต่ำีกันอนี่แหละ ا ل أ خ لا يوم عيد بعضهم لبعض ر ا د و ل ا ا ل م ت ق ي الله ما ب و ل أن سن سنو و ي ن ن ش ت เพือนตายเพือน نشيت. نحن كمان يلا ي ن صدروه ع ن ه ا إلا المتقين يقعن فيهم ك ي ن أدي م ا เขาจะเขาจะไม่ไม่ไปสูเขาจะช่วยกันดี ช่วยกันธรรมุตตะีนช่วยกันเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยโอ้เอ้าเพื่อนฉันนี่ไม่เห็นีกไหนเพื่อนฉันนี่เป็นเพื่อนที่บุตตะกีนะ่ะทาไมยเป็นเพื่อนตรงไหนเนี่ยไปเล่นบอลด้วยกันน่ะเล่นเกมด้วยกันน่ะไปคอนเสิร์ตด้วยกันหน่ะไม่เคยเล่นหมาดด้วยกันเคยทําความดีด้วยกันเคยทำไมยังไม่อยู่นี่ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ในสวรรค์กับฉันได้งไงฉันไม่ยอมเขาช่วย เขาไม่ทิ้งเนี่ยเราบอก็ไปเลยไปดูอ ย, ย, ยู่ที่ไหนในนรถนี่ลากมาเลยให้มาเข้าสวรรค์ด้วยกันภาษาอิสรีจึงบอกว่าอิศตักธิรุมินซุฮบะติลขัยรีฟาอินน่ลาห์มชฟาจงให้มีเพื่อนคนดีๆให้เยอะๆเพราะวันเกียร์มาเขาจะมีชฟาเขาจะช่วยได้เพื่อนดีๆนี่ช่วยได้ มันเป็นทศนะตรงกันข้ามเลยกับนโยบายเนี่ยที่อิสลามเนี่ยบอกว่าให้เราเนี่ยได้ทําความดีแล้วก็หาเพื่อนดีๆเพื่อนีดีตรงนี้หมว่าเพื่อนที่มีคุณธรรมะมีศาสนานบีบอกว่าเราต้องสาหับอิลลามุเอมินะจงอย่ายึดใครเป็นเพื่อนนอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นนะวะละยกุลตอมะกะอินละตะกี้คนที่จะมากินอาหารของเจ้านี่นะต้องเป็นคนที่มีตะก u า แต่เราจะเอาเพื่อนเพื่อนต้องรวยเพื่อนต้องรอเพื่อนต้องเพื่อนต้องมีฐานะต้องมีบา ร, รมีต้องมีแล้วก็จะเลี้ยงใครกินเนี่ยคนที่จะเลี้ยงเนี่ยต้องต้องเป็นคนที่เออทําให้สนุกหน่อยพูดคุยตลกหน่อยทําให้แบบว่าเออเรารู้สึกชื่นใจชื่นอกชื่นใจหน่อยมันเป็นท่าทางตรงข้ามเลย ฉนั้นช่วงเวลาแรกๆนี lime, ่นะเขาจะทักทายกันเรื im, Tokyo, ่องนี้แหละเรื่องตนิกันเรื่องแกนีนที่ทาให้ฉันเนี่ยหลงแกที่ทาให้ฉันเสียเวลาแกที่ทาให้ฉันไม่ได้เรื่องเลยในโลกนี้เนี่ยเสียเสียดายอัลลอจึงบอกว่ากเขาิลีนักดับบูบิลข้าอิลลแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธต่อการพบอัลลอฮปฏิเสธว่าจะไม่พบอัลลอ์จะพบอัลลอฮ์ได้ไงฟื่อคื่ไม่มีหรอก ปฏิเสธต่อการพบอันนั้เนี่ย่ขำขาดทุนย่ำขาดทุนย่ำขาดทุนนี่เพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยให้คุ้มค่าตามการละเวลาด้วยมาตรฐานของอิสลามมาตรฐานของอิสลามนี่เวลาที่เราใช้ทำผลงานที่ยั่งยืนอันนั้นน่ะคือเวลาที่มีความหมาย ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราไปสมรวจทั้งวันเนี่ยช่วงเวลาที่เราทำความดีมีกี่เปอร์เซ็นต์น่ะช่วงเวลานั้นนั่นะที่นับในชีวิตของเราที่ถือว่า น, นั่นคือชีวิตของเราแล้วก็ส่วนอื่นน่ะลบไปไม่ได้เรื่องใช้วเวลาสิบนาทีละหมาดอันนั้นสิบนาทีนั้นนับมีประโยชน์ใหาวกตัวในกี่นาทีน่ะนับไป แต่มาสุนแม่กีนนาทีเนี่ยนับไปอ่านกุศอานเกีนับไปซิกุลล์เกีนับไปทําความดีกับใช้พ่อแม่ทําความดีกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงทําความดีกับเขาเนี่ยหมายถึงอะไรที่มันเป็นผลดีที่ศาสนาส่งเสริมนะช่วยให้เขาดูหนังสือช่วยช่วยเขาทํางานช่วยก็าทำอาหากินอัะ น, นี่นี่ก็นับนะนับนะะเปนความดีไงเป็นผลลบุญเนนะี่ยนับส่วนอื่นนะ่ะ ไปเล่นเกมไปดูทีวีไปเน่ยนั่นอะไรสาระไม่นับอันนี้ในกรณีที่มาได้สาระแต่ไม่บาปนะไร้สาระแต่ไม่บาปนะอันนั้นไม่นับแต่ถ้าได้สาระแล้วบาปละอันนั้นลบนะอันนั้นยิ่งเลี้ยไปอีกการสูญเสียคทุนนะแน่นอน ไม่เชื่อว่าจะพบอัลลอฮ์แต่วันเกียรมาเนี่นี่ไงแล้วเขาจะว่ายังไงว่ามากะหนูมูตดัดีพวกเขาวิ่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไม่ได้รับทางนําไม่ได้รับผิดใดฮะไม่ได้เป็นหมูตาดีหมู่ตาดีคนที่อยู่ในทางนําคนที่อยู่ในในทางที่ถูกต้องไมรับผิดใดฮะงั้นเขาไม่ได้เป็นคนที่ได้รับผิดใดฮะแสดงว่าการเชื่อ เราจะพบอัลลอฮ์สักวันหนึ่งผู้ศรัทธาที่เชื่ออะเราต้องพบกับอัลลอฮสักวันหนึ่งมันเป็นขวัญใจของผู้ศรัทธาที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถอดทนทําความดีตลอดชีวิตผมก็บอกว่าให้เราได้อดทนละหมาดละหมาดเนี่ไม่มีใครนะแจกตังค์ให้เราละหมาด ทมกลางความลำบากและปัจจัยที่ลำบากหลายประการอาบน้ำน้าก็เย็นเดินทางไปมัสยิดก่อไกลไปละมาดก็ไม่มีมันไม่ไดีก็ไม่ไดีไม่มีค่าตอบแทนอะไรให้เราเลยกำลังใจอะไรเล่าที่ทำให้เราเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยยังรู้มา มีคนมาถามคนที่ละหมาดเนี่มึงละหมาดทั้งชีวิตเนี่มึงได้อะไรเอา้าแล้วก็แล้วก็มึงอ่ะเนี่ยกูไม่ละหมาดน่กูรวยเนี่นย้กูรนี่เนงมึงอะละหมาดทั้งชีวิตนี่ยมึงได้อะไรใช่ในมาตรฐานที่สามารถที่สามารถสัมผัสได้ในโลกนี้นี่นะคนที่ละหมาดนี่เขาไม่ได้อะไรจริง สำหรับโลกนี้เนะี่ยไม่ได้อะไรจริงๆแต่ใครบอกเราว่าหนังม้วนนี้เนี่ยมันจบแค่ที่นี่อ น, นโลกดุญญนยาเนี่ยมันมันไม่มันไม่ใช่หนังม้วนเดียวนะมันแค่หนึ่งชัปเตอร์เขาจะชัตเตอร์ไหมมันแค่ช่วงหนึ่งของของเรื่องอะใครอยากจะรู้เนี่ยสิ้นสุดของหนังนี่มั น, นยังงต้องรอเน่ต้องรอ ใช่ถ้าใครถามว่าละหมาดแลได้อะไรอะ่ะคนมันไม่ให้อะไรหรอกสังคมเนี่ไม่มีหรอกวัดรัฐเนี่ยไม่มีสวัสดิ์ทั่วโลกเนี่ยใครจะละหมาด ก, ก็ได้เข้าโรงพยาบาลรักษาทีน่นีใครเออใครถือสิ้นอดเนี่ยก็จะได้แบบนู้ไม่มีหรอกแต่ทุกทุกคนเนี่ยมาถามตัวเองอะ่ะที่ฉันยังยืนยังนวดอยังงั้ก็ต้องละหมาดยังไงั้นก็ไม่ทิ้งละหมา มีเพียงเดียวมีพระเจ้าที่เราเชื่อว่าพระองค์สั่งไว้แล้วเราเชื่อว่าเราจะต้องกลับไปพบกับพระเจ้าและจะเอาผลเงินเนี้ยผลเงินละบาทเนี้ยไปถวายกับพระเจ้าของเารเานี่คือ ก, กำลังใจเดียวที่จะทําให้เรายืนหยัดได้ในทุกเรื่องทําความดีทุกเรื่องก็ก็ก็มีขวัญใจแบบนี้แหละเขาเนี่ปฏิเสธที่จะพบองค์ แต่เราไม่ปฏิเสธเราเชื่อและผู้ศรัทธาจะต้องให้ความเชื่อว่าจะพบอนลน์นี่พยายามให้มันเข้มข้นให้มันให้มันหนักแน่นมากขึ้นเพราะมันเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เราทำความดีแบบมีความสุขทำความดีแล้วมีความสุขมีคาถามไหมถ้าคนทำของหล่นที่เราเนี่ยแล้วเรารู้เจ้าของก็ต้องคืนครับสถานะเดียวต้องคืนอย่างเดียว ไม่ใช่ว่ามาตกในที่ของเราเนี่แสดงว่าเป็นของเรานะต้นมะม่วงกิ่งมันมันมาโผล่ลารั้วมามาโผล่ที่เรานี่แล้วก็ลูกมะม่วงมันร่วงมาอยู่ที่เนี่เป็นของเราไม่เราต้องไปขออนุญาตเขานี่เขาเนี่ยผิดที่เขาไปปลูกต้นแล้วก็ต้นนี่มันก็เรื่องแล้วเขาผิดแต่ยังไงก็ยังเป็นทรัพย์ของเขาเราต้องขออนุญาตเขา ถ้าเรารู้เจ้าของแต่ถ้าเราไม่รู้เจ้าของแล้วมันเป็นที่ของเราเนี่ยที่ของเราเนี่ยก็ต้องประกาศให้คนที่เราเพราะยังไงของมาหายในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็ต้องรู้คนที่เข้าที่เราเข้าบ้านเราเนี่ยเป็นใครบ้างก็ต้องพยายามสํารวจสํารวจเท่าไหรล่ล่ะก็เท่าที่เรามั่นใจว่ามันจะไม่น่าจะมีเจ้าของแล้วอะ ทุกคนที่มาบ้านเราก็ถามหมดแล้วไม่มีใคร <c oughs> ไม่มีใครอีกกรณีหนึ่งถ้ามันหายในที่สาธารณะก็เช่นเดียวกันให้ประกาศปิดประกาศหรือบอกคนนู้นคนนี้ว่าเนี่ยมีของหายนี่อยู่ที่อยู่ที่ชั้นนะช่วงหนึ่งให้เรามั่นใจว่าเจ้าของทรัพย์สิสนนียจะต้องปรากฏตัวแล้วก็มาเรียกร้องของของเขาช่วงหนึ่ง hadis บางบทเนี่ยท่านบิบอกว่าเฟลิอาริฟฮสัสันะให้ประกาศหนึ่งปีแต่เวามาบางท่านสันนิษฐานว่าประกาศหนึ่งปีเนี่ยถ้ามันเป็นทรัพย์ที่มีค่าแต่เช่นเนมีคนทําทำหลน่นร้อยบาทอย่างเงี้ยจะประกาศหนึ่งปีมันมันมันมันไม่เมกเซนกับคุณค่าของมันหมายถึแต่ของมีค่าเนี่ยเออเควรที่จะประกาศหนึ่งปี ทำทำมือถือหล่นอย่างเงี้ยมือถือสองสามหมืะนะ่นควรควรที่จะประกาศนานๆหน่อยที่จริงเนี่ยมันไม่ได้ฟิกแต่ว่าจะต้องต้องหนึ่งปีอีกหนึ่งปีนะวละมาบอกว่าให้เวลาพอสมควรที่จะให้เจ้าของทรัพย์สินเนี่ยได้มาแล้วก็มาวนมาถามถึงสมเด็จเราก็มีปิดประกาศแล้วแล้วก็บอกคนนี้ถ้ามีใครมาถามถึง ม, ม, ม, มือถือนี่อยู่ที่ชั้นหน้าอะย่เงยอาจจะเดือนอาจจะสองเดือนแต่แล้วแต่ให้พิจรารณาตามความเหมาะสม ถ้ายังไม่มีใครมาของมันก็ยังอยู่กับเราแล้วไม่มีใครมาถามว่าเออของเขาอะไรย่เี้ยเรามีสองทางเลือกนั่นเอาไปใช้เลยเอาไปใช้แต่ถ้าเข้ามาล่ะนานแล้วก็มาเนี่ของของฉันก็ต้องคืนยังไงก็ต้องคืนแต่ยังไม่โดยเฉพาะจะเป็นของที่อยู่นานไม่ได้ไง คนมีเรามาเจอของของกินอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเนี่ยที่ของเราเนี่ยโมีพิซซ่าร้อนๆเลยเฮ้ยของใครเนี่ยของใครวะเนี่ยถามโนนถามนี่นนี่จะรอนหนึ่งปีอะ่ะถามไมแล้วเนี่ยผ่านไปแล้วหกชั่วโมงเงี้ยเอาไม่มีใครมากินกินได้กินได้ แต่ถ้ามีคนบอกว่าเอาของผมหน่อบ้างเอามาเป็นลายดูผมชดให้เอาไม่เอาผมเอาตัวนั้นไปเล่นตรงนู้นไป <c oughs> ไปเล่นไกลๆ <c oughs> อะไรแบบแบบเนี้ยใช้ได้ช้อที่สองนี่ทาเรืองที่สองนี่ก็คือสัมเชนแบบเนี้ยถ้าเราบริจาคในนามของเจ้าของนี่ก็เราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ทนี้ทําทำธุระที่มัสยิดนะแต่ทางมัสยินั้นเขาจะเอาเนื้อของเราไปทำบุฟเฟ่แต่บุฟเฟ่ั้านนี้อาหารก็ต้องซื้อผูกพองมาด้วยครับถึงจะกินบุฟเฟ่ได้ทีนี้จะสอบถามว่าการทำธุระอย่างนันครับจะสอบถามคือสัญญาระหว่างเรากับมัสยิดเนี่ยถ้าเขาเชื่อท่้เนี่ย ส่วนที่เหลือเนี่ยเรายกให้มมสิทด้วยความสมัครใจไหมแล้วโ<ข>อเคใช่ไหมเราโอเคโอเคก็คือสมัครใจไม่โอเคคือไม่ทำกับเขาโอเคในกรหม่อมจงว่าใ ห, ให้ให้แค่ห้าโลนะถ้าผมจะเอาทั้งหมดนะถามว่าาเอาทั้งหมดเอาไม่ได้ไห่เอาทั้งหม ด, ม ด, นะหมดถ้าถ้ารับแบบนี้ก็ไม่รับก็ไม่ต้องทำถ้าเรารับนี่ก็แสดงว่าสัญญา จาวาจาหรือด้วยอะไรละอักษรเนี่ยท so ี่เขาทากันทั้งหมดเนี่ยหมายถึงว่าเอาส่วนของของจากส่วนของเรานี่เท่านี้เนื้อและที่เหลือนี่ถือว่ายกให้ยกให้ในรูปแบบฮาดีะยกให้นี่โดยเสนอหานี่ยยกให้ยังจะไม่ใช่ฮาดีะก็ได้ฮาดีะนี่มันต้องสมัครใจระบบฮาดียะนี่หมายถึงว่าเสนอเสนอหมา แต่บางทีไม่ใชม่ใช่ฮาเดี ย, ยผมไม่อาผมเอาแค่ห้าโลเนี่ยเท่าไรที่ที่เหลือนี่ผมไม่รู้จะไปทําอะไรไม่ไฮาเดีะมันเนีอ่ะบางผมอันนี้ไม่รู้จะทําอะไรผมฮาดีย <c oughs> ของฮาเดียเหมือนต้องของโปรต์ไงใช่ไหมเออแต่นี้เราคุยกันแล้วว่าเอาแค่ห้าโลที่เหลือนี่ยกให้ยกให้ hey, นมันเปลี่ยนมือแล้วคนนิ่มขายไม่ได้ ถ้าขายไม่ได้กับเนื้อกุรบาล น, นี่ก็คือคนที่ทําคนที่ทำจะหม่ยถึงคนที่ออกทุนทำกุรบาลเนี่ยกุรบาแต่พอเนื้อนี่เตียนมือแล้วเนี่ยอนุที่ไปให้เพื่อนไปให้เพื่อนบ้านไปให้คนนู้นแล้วเขาเอาไปทําก๋วยเตี๋ยวขายไปทําหนมปังหน้าเนื้อไปทําเนื้อแล้วขายอ่ะนะเขาไม่บาปอนนี้ตามเนื้อผ้านะส่วนเราสบายใจไม่สบายใจติดใจไม่ติดใจนี่ อันนี้ก็ตัดสินใจตั้งแต่แรกเลยจะทําหรือไม่ทํากับเขาแรื่นี้ก็ไม่เรื่องสำคัญเองนี่สากลิสธ ร, ร ม, มานานี่ไม่ได้ไนะคือจะไปบังคับว่าเขาจะเอาแค่ห้าโลอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เขาต้องมีสิทธิ์ที่จะเอาทั้งหมดเราก็บอกถ้าจะให้ส่งถึงที่นะเราจะส่งแค่ห้าโลเพราะไม่ไหวไงถ้าเราจะส่งทุกคนเนี่ยสิบห้ายี่สิบกิโลไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าอยากจะเอาทั้งหมดเลยเนี่ยมาเอาได้เลยเอาทั้งหมดในส่วนของท่านทั้งหมดเลยนี่มาเอาได้เลย เ, าเลยราต้อง ม, มาเอาเอง ชาวหนังสือเขาส่วนของเขาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรับหมดอตอบคาถามว่าถ้าวันอีดตรงกับละหมาดวันศุกร์มันมีฮะดีสนะมันมีหะดีสที่ท่านนาบีสุลต่านลอฮะเลียอุสสลัมได้มีวันศุกร์ตรงกับวันอีดวันหนึ่งสมัยท่านนาบีและนบีก็บอกกับสหายบ่าววันนี้เนี่ยได้มีสองอีดฉะนั้นใครที่ละหมาดอีดแล้ว และประสงค์ที่จะไม่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรอวนอินแมละมูจะมิอูนนบีบอกว่าแต่เราจะละมาทีนี้เป็นที่เข้าใจกันนะหมาจถึงว่าถ้าไม่ละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็ละหมาดดูรี่นะนี้ไม่อันนี้ไม่มีขีลาบนะแต่ที่มีขีดลับนี่ว่าละไม่ละหมาดวันศุกร์เลยมันจะได้หรือทัศนะอุลามาส่วนมากบอกว่าไม่ได้ที่ละหมาดวันศุกร์ไม่ได้ต้องละหมาด ถ้าละหมาดอีกแล้วเนี่ยถ้าละหมาดอีกแล้วเนี่ยต้องละหมาดบนสุกนะทิ้งละหมาดบนสุกไม่ได้ถ้าเกิดเอาละมาสวดมากเหตุ hey, ผลบางอย่างกบางคนก็บอกว่าหะดิษนี่บ่อยบางคนก็บอกว่าหะดิษนี้สําหรับบางกลุ่มเท่านั้นก็คือในเมืองเนี่ยเวลามุส ล, ลิมใหญ่เนี่ยเวลาเขามาละหมาดเนี่ยมีคนจะจะต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาละหมาดใช่ไหม แล้วเขากว่าจะกลับบ้านไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ทันนบีก็อาจจะหมายถึงพวกนี้เนี่ยว่าไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ก็ได้แต่ทัศนคติของ อ, อามัดมัสยับฮัมบารีเนี่ยเขาถือว่าฮะดิษนี่ถูกต้องแล้วก็สามารถทําได้ก็คือถ้าละหมาดอีกแล้วนี่นะแล้วเลือกที่จะไม่ละหมาดวันศุกร์จะ ต, ต้องเป็นคนธรรมดาคนสามัญชนทั่วไปไม่ไม่ลมาวันศุกร์เนี่ยก็ไปละหมาดดูฮรีก็ได้แต่ คนที่เป็นอิหม่ามเป็นข้อเตเป็นผู้รู้เป็นผู้นําสังคมเนี่ยเพราะสถานะนบีเนี่ยตอนบอกว่าอินนาและเราเรานี่หมายถึงว่าคณะของฉันเนี่ยก็คือนบีละซอว่าอุสโซเนี่ยจะละหมาดนบีเป็นใครนบีเป็นข้อเตเป็นเป็นเป็นเป็นอิหม่ามเป็นผู้นําไปเนี่ยพวกเนี้ยต้องละหมาดกรรมการมัสยิดเนี่ยต้องละหมาดไม่ใช่กรรมการมัสยิดนี่ติดป้ายบอกว่ามัสยิดนี้เนี่ยยึดในฮะดีษเนี่ยปิดละหมาดไม่ได้ แต่เอาตามสุนนะนี่ไมสใช่ต้องละหมาดคือให้เลือกอะถ้าจะไม่ละหมาดวันศุกร์นะกับไม่ละหมาดวันอีดอันไหนที่มันเบากว่าว่ามไหมไม่ละหมาดอีดเป็นจริงหรมันชัว่อยู่แล้วเพราะมันสุนนะเน่ยไม่ใช่วาจิแต่ถ้าแบบขับขันจริงๆอันนี้อันนี้เราก็ต้องเปิดกว้างนะรฮะดีสมันก็เขาใส่จริงๆ บางทีละหมาดอีดแล้วเนี่ยคนที่แบบว่ามีมีธุระจาเป็นเช่นละหมาดอีเสร็จแล้วเนี่ยรีบเดินทางจะได้ไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมอยากพี่น้องอะไรเงี้ยอันนี้มุสาวิรเนี่ยอันนี้ไม่ต้องละหมาดกสุดแล้วใช่ไหมละหมาดอีเสร็จแล้วดยเฉพาะอีใหญ่เงี้ยละหมาดอีเสร็จแล้วต้องทําเนื้อต้องเชือดวัวต้องนุ่งทําจากเนื้ออะไรนี่ แค่เชือดวัวนีงก็สิสสบเอ็ดโมงแล้วกว่าจะแลกกว่าจะใจนี่มันก็ไม่รู้จะทำรด้เปล่าถึงจะทันนี่แ่ละเลอะแล้วจะจ ะ, จะไปอาบน้ำจะทันไหมเนี่ยถ้าแบบว่ารับขันมากแบบนี้เนี่ยก็อาจจะอารมอรลยได้สาหรับแต่สำหรับคนที่ละหมาดอีดชิวชิวชิวชิ ว, ช ว, ชวกับบ้านก็ถึงบ้านประมาณเก้าโมงยังได้หยิบสักสองชั่วโมงตื่นมาสดชื่นสิบเอ็ดโมงหรมันเที่ยงครึ่ง มืสอเศก็อยู่ใกล้บ้านไม่เอาอ่ะฉันทำตามฮะดิสดีกว่าผพราะว่ามันมันไม่คอยไม่คอยนั่นนะถ้าถ้าละมาได้ก็ดีถ้าเดบิตและเครดิตนี่เรามีบัญชีมีก้อนเงินเพียงพอที่จะใช้ส่วนที่เรา กดไปนี่นะไม่มีปัญหาเลยมีบัญชีแล้วแต่เดบิตนี่มันก็พอได้ใช้เดบิตในเงินแต่เครดิตเนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องไม่มีในบัญชีเครดิตบัตรเครดิตมันต้องไม่มีในบัญชีเป็นเงินเขาไม่ได้เครดิตเนี่ยแต่ถ้าเรากดแล้วก็มีกติกาของบัตรเครดิตหรือเดบิต ท, ที่มีคุณสมบัติสามารถกดตัง ทั้งหน้าที่บัญชีไม่พออยู่แล้วเนี่ยว่าเราสามารถที่จะกดตังค์โดยให้ชำระส่วนที่เรากดไปเนี่ยในระยะเวลาเท่านี้เท่านี้และจะไม่คิดดอกเบีย้ยเช่บิมบาสบอกว่าแบบนี้ทำไดุ้รลมาหลายท่า น, น่ชมสุนเดียวุรเามาแต่ขาก็ก็สัญญาสัญญามันไม่มีไม่มีบาก็คือให้เยอะ อู้ยืมไงแต่มันมีเงื่อนไขมันในสัญญาเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเราเลยเวลาที่เขากําหนดนี่นะจะมีดอกเบีย้ยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับสัญญาที่เราได้ทําตอนนั้นน่ะมันมีไหมดอกเบีย้ยเราจ่ายไหมเราไม่จ่ายถ้าเราไม่จาาม่จายในสัญญามันก็ถูกต้องไอ้เงื่อนไขเนี่ยอุลเวอร์เขาคีดแลกว่า ถ้าสัญญาเนี่เงื่อนไขที่ไม่ถูกต้องจะทําให้สัญญาเนี่ยมันไม่ถูกต้องไปทั้งหมดหรือมันจะโมฆะเฉพาะเฉพาะเงื่อนไขแต่ตัวสัญญามันจะถูกต้องอันนี้มีแค่แล้วระหว่างอุลละมาทำให้อุลมาที่มีทัศนะบอกว่าเงื่อนไขมันกระทบกับตัวสัญญาเราบอกอย่างนั้นไม่ได้ถ้าถ้าบัตรเครดิตเนี่ยเพียงมีเงื่อนไขว่าจะต้องใจดอกเบี้ยแท้ถ้าล่าช้านี้นะก็ทําไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายเนี่ย เดบิตเดบิตไอบ้บัตรเครดิตเนี่ยใช้ถ้ามีความจําเป็นถ้ามีความจําเป็นและเสี่ยงต่อเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ก็อย่าใช้เลยเราเป็นในระบบระบบกิจการค้ยอะไรต่างๆมันมีอันนี้ไม่ได้เลยนี่อันนี้ดีอัน น, นี้เราเบี้ยได้ น, นอนทุกผลประโยชน์ที่เกิดจากที่เกิดจากการกู้ยืมอ่ะนะมันก็ดอกเบีย้ยทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นเงินเป็นเม็ดเงินนะสวัสดิการ กาแฟฟรีสนามบินมันก็เกี่ยวกับเย้ามุสเซอร์อันนี้ก็วันแห่งเวลาช่วงขาวันแห่งเวลาเล็กน้อยเล็กน้อยนี่เพราะอะไรเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นช่วงช่วงช่วงเวลาที่เทียบกับการละเวลาทั้งหมดคนรุ่นเนี่ย ทั้งหมดนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบแล้ววะนะสมุนาอยู่ในวันเกเ ม, มาในห้าหมื่นปีกับการที่เราจะอยู่ในโลกหรือในสวรรค์เนี่ยตลอดกาลมันก็คือชั่วข่าวจากที่นแต่ น, นี้ชั่วข่าวตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าชั่วข่าวเทียบกับโลกโลกดุนเนี่ยแต่มันก็มีความเหมือนก็คือมองถึงเวลาสั้นๆเนี่ยว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันอยู่ที่ผลงานของแต่ละคน สุด ๆ, ๆออน่าจะค่อยคะแนนได้ในกรณีที่เป็นคะแนนที่ได้จากการจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดืดอในในคะแนนจะชไมครับ่อจ่ายคโทรศัพท์รายอนมีนด้วยไปเดี๋ยวเขาให้คะแนนลองน้อมนอสัมภารค่าโทรศัพท์รายเดือนมันก็เหมือนกันก็จะมีคะแนนพวกนี้เลยแล้วแต่นี่มันยังไงไม่อยากจะอยากจะถามว่า น, นี่มันคะแนนของอะไรอ่ะ บางตัวเวลาเราซื้อของพกมันจะให้เครดิตเป็นให้คะแนนเต็มหล่อ๋อไม่ใช่ดิเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่ชําระยังไม่ชําระถ้าซื้อของนี่นะมันก็เป็นหนี้และหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นหนี้นะคุณจะได้คะแนนแสดงว่าเป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากห น, นี้นี่นะแต่ของอันนี้เนี่ยคุณช้แม่เล้วงบางคนอะไรนี้กันนะ ฮัดียฮาฮัดียาคุณใจแล้วเนี่ยคุณคุณไม่ได้เป็นหนี้เขาอคุณใจแล้วอืมท่าก็บอกว่าถ้าคุณใจนี่ดถ้าคุณถ้าคุณเก่งแนมะ่เดี๋ยวผมให้ดียะแต่เหมือนเราเสื้อน่ะเห็นบางทีก็พี่น้องเคยเจอนะเจอพ่อค้าแม่ค้านี่เท่าไรครับห้าห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบ แล้วก็ไม่เราก็ไม่ตอบไม่อะไรเราก็จะเอาเนืเอ า, เอ า, เอ า, เอาแล้วกันเล่นให้เขาเห็นเราเป็นลูกค้าเรียบร้อยหน่อยไม่ไม่กวนเขาไ ม, ไม่ต่อรองเข า, อาอเอานื้อแล้วให้แล้วให้ไอเดียไม่ใช่ตอกเบี้ยในข้อนี้แต่เราไม่้เป็นหนี้เขาอตอกเบี้ยนี่ก็คือที่มันเกิดจากหนี้นี่ยนะชําระหนี้แล้วก็มี มีเพิ่ม س ب ح ัดริละอัลลอฮตัสซฟรุุบลัะนบนมมดนอัลลฮ